อย่างชีวิตนี้ใครมองว่ายัางไงอ่ะชีวิตนี้เนะียบางคนบอกโอ้มหาภาระเลยแหละอาจารย์คุณวาไรบอกชีวิตนี้น้อยนักเนี่ยพวกนี้ก็แสดงว่าอารยิยานุปัสสนาใช่ไหมบางคนทําไมมันทุกข์ขนาดนี้นี่ชีวิตเนี่ยนะมันจะรับใช้ขันท่าไปถึงไหนเนี่ยเยพวกนี้จะเห็นว่ามันทุกข์จริงๆมันเป็นภาระจริงๆอาารอะไรนะเรือร้อนสับสนชฉลมนุ่นวายไปหมดเลยนะขันท่าเนี่ย มันเป็นอย่างนั้นบางคนเนี่ยทุกขานุปัสสนามีกําลังมากถ้ายิ่งพวกเกี่ยวข้องกับแผลฝีหนองมากๆมันฝีชัดๆเลยนะเช็ดล้างไม่มีเสร็จมีสิ้นเนี่ยบางคนก็บอกว่าโอ้โหมันมีแก่นตรงไหนบ้างเนี่ยอะไรมั่งมันพอจะมีสาระนะขันห้านี่มันมันทำยังไงมาให้มันเต็มที่เลยนะทําครั้งนี้มันน่าจะพอมันน่าจะจบมันน่าจะสิ้นมันเป็นแก่นสารอะไรจริงๆอ่ะมีไหมไม่มีนะอย่างชีวิตที่ผ่านมานะ จริงไหมต่อสมมติเอายกผู้การ ก, กันแล้วก็ที่ผ่านมานะทําจริงใช่ไหมจริงแล้วตอนนี้มันมีจริงไหมล่ะโอ้ยตอนนั้นเอาจริงมากเลยเนะแข่งกีฬาเนี่ยแข่งแพ้มาเนี่ยกินข้าวไม่ลงอย่างนั้นนะโอยจริงแท้จริงๆเลยนี่ยนะเครียดมากนะจริงเป็นจังมากแล้วตอนนี้ลนะ่ะเ่ามันเป็นอย่างนั้นมีอะไรพอเป็นแก่นสารได้บ้างจริงๆแต่ว่าคนที่เห็นว่าไม่เป็นสาระเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างหนึ่งเห็นว่ามันเป็นทุกข์อีกอย่างนึง เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้มากๆนะความเบื่อหน่ายก็เพราะบางคนก็เบื่อหน่ายเพราะเห็นสักความไม่เที่ยงบางคนก็เบื่อหน่ายเพราะเห็นด้วยความเป็นทุกข์บางคนก็เห็นเบื่อหน่ายว่ามันไม่มีสาระอ <c oughs> นะเพราะว่าเนิ่นนานถามไปแค่ใดก็ตามมันก็อยู่อย่างนี้เนี่ยนะพอมาชอบคําว่าตามทั้งหลายเหมือนความฝันนะบุรุษบุษคคลทั้งหลายผู้ผู้ฝันเห็นสวนที่น่ารื่นรมเห็นอะไรที่มันน่ารื่นรม เติรนขึ้นมาแล้วไม่เห็นฉันใดวัตถุทั้งหลายชีวิตที่ผ่านมาก็ลักษณะนั้นที่ผ่านมานะฝันเมื่อวานฝันว่าไปไหว้พระนอนองค์ยาวที่สุดในประเทศไทยจริงหรอจะม้วนฝันนั่นหรอเนีนะไม่เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานฝันว่าไปไหว้พระนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เมื่อวานก่อนน้นฝันว่าไประยองวานก่อนนู้นฝันว่ามาจากเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่ไงเนี่ย น, นี่ฝันว่าจะไปเชียงใหม่อีกต่อไปเนีน่เดี๋ยวนะั้นเอกห้าชั่วโมงข้างหน้านันจะฝันว่าอยู่ที่นี่ไงว่เาเหมือนฝันจริงๆถามว่าจริงไหมลนะ่ะจริงแต่มันจริงเหมือนฝันน่ะจะว่าอะไรเอ่จริงไะจริงแต่มันจริงเหมือนฝันเพนั้นอุปาทานขันห้าเขาเป็นอย่างนี้จริงๆที่ผ่านมาก็ขันห้าเหมือนฝัน ท่านเราหวังในอนาคตก็หวังว่าความฝันลมๆแรงๆที่จะมีต่อไปในอนาคตเพรา ะ, ะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าพระอง์ตื่นและปลุกให้คนอื่นตื่นด้วยเลิกฝันตัน้งีนึงพอแล้วเหมือนนเนี่นยนะแล้วก็อย่างนี้มันเหมือนกับว่านิพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนาหรือว่านิโรธานุปัสสนาเนี่ยนะครับไม่มีการเจริญตัาหากไม่ไม่มีการเจริญต่าห า, า, ตหาแต่ว่าเป็นผลของการเจริญ อ, อนุปัสสนาสามบริบูรณ เมื่ออริยสาวกเมื่อรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายฉะนั้นความเบื่อหน่ายนี้เป็นผลของของการตามเห็นอย่างนั้นเป็นผลของการตามเห็นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และก็เป็นอนัตตาเพราะว่าสูตรก็มีอยู่ว่าเมื่ออนุปัสนาสามบริบูรณ์ย่อมอย่างนิพพิทานุปัสนาให้บริบูรณ์เมื่ออนุปัสนาสี่ข้อต้นบริบูรณ์ย่อมยัง วิราคาอนุปัสนาให้บริบูรณ์ถ้าวิปัสนาห้าอย่างนั้นบริบูรณ์ย่อมอย่างนิโรธาให้บริบูรณ์ถ้าอนุปัสนาหประการบริบูรณ์ย่อมอย่างปฏินิส ข, ขาบริบูรณ์ถ้าอนุปัสนาเจ็บริบูรณ์อริยมรต้องเกิดเนี่ยนะอริยมรต้องเกิดถ้าบริบูรณ์จริงเพราะข้อสุดท้ายเนี่ยมันเล่นแล้วบริจาคไม่เอาและอะไรก็ไม่เอานะสังขารธรรมทุกชนิดไม่เอา เขาใช้คําว่าไคลโลกามิดนะนีหรือวิราคาเนะ่ยอาจาทันตีชอบอะไรเนี่ยสำรอกเลยเจมมี่หมวยชอบอะไรเนะ่ขั่วเลยแล้วขั่วสุกหมดแล้วเนี่ยอาจทันติบอกอาเจียนออกหมดเลยนะเขาเรว่าวิราคาแปลเป็นไทยว่าสํำรอกนะก็แปลว่าอาเจียนออกหมดเลยนะคายไม่เอาแล้วสังขารเนี่ยนะขย่อนออกขย่อนออกขย่อนออกนะแต่ถ้าไม่เจริญวิปัสสนานะสูบเข้าสูบเข้าสูบ สูบสารพัดเนี่ยนะจนท้องมันอืดเต็มที่เลยนั้นก็สูบอยู่นะั่นเลยด้วยจักรอินทรพอเสร็จแล้วก็เดือดร้อนอิการนี้พิษมันกำเริบก็เดือดร้อนนะกานี้สูบบ้านเข้าไปนี่เดือดร้อนไ้ยไม่รู้ว่าเดือดร้อนหนระือไม่คือแต่อย่าลืมว่าธรรมะในพระศาสนาเนี่ยเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์จากวัตตะโดยประการทั้งปวงทั้งการแสดงธรรมนั้นถ้าของในพระศาสนาเนี่ยจึงเป็นการ ประดุดดอกบัวเนี่ยนะทายังไงที่ใบบัวกับดอกบัวโดยที่ไม่เปื้อนน้าเนี่ยงอกพ้นน้ําโดยที่ไม่เปื้อนไม่เปื้อนน้าไม่เปื้อนโคลนตมเนี่ยอันนใช้กรรมวิธีอย่างไรการพิจารณาที่จะพ้นโลกพ้นจากวัฏะพ้นจากวัฏทุกข์เนี่ยนะมันเป็นการพิจารณาที่เรียกว่าปุตชนรับไม่ได้เลยจริงๆนะั่นอย่างธรรมะที่กล่าวเนี่ยนะไม่ใช่ไปพูดทุกแห่งได้นะถ้าเอาเสียงที่พูดวันนี้ไปเปิดบางแห่งนะ อาจจะเดือดร้อนก็ได้คนเปิดอนะนะได้ศัตรูเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเขาจะเอาเราจะพูดให้เขาออกอนะเขาว่าดีเราว่าไม่ดีนะนะก็เหมือนอย่างว่าแถวแถวบ้านเนี่ยมีประจําเลย อ, อย่างพ่อแม่บางคนเขาเขาบอกลูกลูกชายเขานะลูกเอออย่าไปแต่งงานเลยอย่างงั้นอย่างงี้นะลูกไม่ยอมไม่ยอมบอกว่าแม่ถ้าไม่ขอให้นะจะเผาบ้านะ กับเผาฉางเข้าเลยนะแม่ขอให้สามปีผ่านไปมันไม่พูดอย่างนั้นเลยแต่งแล้วสามปีผ่านไปสี่ปีผ่านไปนะบางคนมันแต่งแล้วยังยังไม่เกณฑ์ทหารเนะยพอมันเกณฑ์ทหารตั้บมันนะอู้ยอยากให้ถูกทหารจริงๆเลยนะไปสักทีหนึงอยากถูกทหารอยากเป็นทหารเกณฑ์มากว่าบอกงั้นนะอันนี้ก็ลักษณะเนี่ยนะท่านอุตุชนทั้งหลายเนี่ยเมาแบบนั้นเนี่ยเมาจนเรียกว่าฟังธรรมะที่เรียกว่าฟังออก ฟังไม่ได้รับไม่ได้เลยนะยิ่งพูดโทษภัยของขันห้าเท่าไหร่นะเขาบอกมันต้องมีดีจนได้นั่นแหละฟังกันนะมันไม่เสียหายมันไม่เป็นไรมันยังดีนะโอ้ยเด้อแต่ทีนี้อย่างความไม่มีปัญญาอย่างเดียวมันก็มันก็ไม่เห็นโทษอนะนะไม่เห็นโทษเมื่อไม่เห็นโทษก็เลยเฝ้าอยู่ในกองทุกอยู่อย่างนั้นแหละนั้นคําสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงเป็นไปไม่ได้เลยกับผลพาเนี่นนะมันมันเป็น คื่เพาะนันคําว่าอรหันนะถ้าแท่งจากพิจรารณาจากถ้อยคําเหล่านี้บอกว่าไกลจากคนชั่วทั้งหลายเนี่ยนี่อันนี้ชัดมากถ้าเจริญวิปัสสนาไปขนาดนี้นะสมมุติถ้าชีวิตเจริญไปถึงขนาดนี้นะหาเพื่อนคุยยากขึ้นแค่นี้ทุกวันแต่ละคนที่มานั่งฟังธรรมนะเชื่ อ, อไม่ค่อยมีเพื่อนคุยแล้ว น, นะคุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องนะ้ น, นะ ช, ชักมีปัญหาเลยนะอยู่กับโลกกับสังคมก็ไม่ค่อยได้ลนลนะ สำรวมมากขึ้นเนะอะไรนะนะเพราะว่าเราเงียบบ้างนะเขาก็สบายใจอันถ้าไม่แต่ก็เป็นอย่างนี้จริงๆแต่ก็ให้รู้แต่ว่าถ้าผู้ใดที่ออกจากวัตะนี่เป็นความดีเราทั้งหลายก็บูชาคนที่ออกจากวัดตาเสร็จแล้วไม่ใช่หรือใช่ไหมสุปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสังโพระสงสา ว, วกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติ ด, ดีแล้ว เพราะผู้ปฏิบัติดีในโลกนี้คือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในขันห้าเนี่ยนะนี่เรียกว่าผู้ปฏิบัติดีในโลกเนี่ยนะอันนี้ที่ที่ที่สมัยก่อนจริงๆเนี่ยเขานับถือว่าเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติดีในโลกคือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดจากอุปาทานขันห้าแต่ก่อนที่จะเบื่อหน่ายคลายกําหนัดท่านรู้กันอย่างไรอันนั้นก็เนี่ยเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ถ้าเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะละความสำคัญว่าเที่ยงในขันทั้งหมดเนี่ยนะเราลองมาฝึกฝึกนึ ก, น, กนึกดูนะถ้าเราทำใจว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงจริงๆนะยอมรับสภาพว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงจริงๆมันไม่มั่นคงอยู่จริงๆในใจเลยนะมันดีหรือไม่เคยใครเคยนั่งนึกบ้างเมื่ อ, อไหร่เนะความสำคัญว่าเที่ยงของข้าพเจ้าจกลดลงจกหมดสิ้นโดยประการทั้งัวง เมื่อไรเนาะจะเห็นว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกข์โดยประการทั้งปวงเมื่อใดเนาะจะเห็นสังขารว่าเออทำทั้งปวงว่าเป็นอนัตตาเมื่อใดเนาะจากปฏิบัติเพื่อเบื่อหนายและคลายกำหนัดในอุปาทานขันห้าอานันต์ตั้งความปรารถนาะโน้มน้าวใจของตัวเองเนี่ยให้เป็นอย่างนั้นโอนให้เป็นแบบนั้นบ่อยๆบ่อยๆซึ่งอริยส า, าวกสมัยก่อนเข้าโอนกันอย่างนั้นเนี่ยนะ ถามว่าเรามีอัธยาศาัยตั้งไว้แบบนี้ไหมตั้งอัตตะสัมมาปณิทิแบบนี้ไหมถ้าตั้งไว้นะก็อีกไม่นานสักเท่าไหร่ไม่กี่กลับหรอก <c oughs> ไม่ไม่เกียร์ยุ่งกลับอนะไม่เกียร์ยุกลับหรอกอนะถ้าเจริญตามนั้นจริงๆนะนั่นแะน่เพราะว่าถ้าโอนไปอย่างนี้ในที่สุดก็ต้องหลุดพ้นนะนะหลดพ้นพระรู้โดยชอบจนได้ น่ารู้ชอบว่านี้เป็นปริญญ ย, ยธรรมนี้เป็นอะไรประหาตัปปธรรมนี้เป็นสัจจิกาตัปปธรรมนี้เป็นภาเวตัปปธรรมการเจริญแบบนี้มากๆนะผู้ที่ไม่เจริญแบบนี้มากๆจะไม่เข้าใจคําว่าภาเวตัปปธรรมมันเป็นยังไงถ้าเจริญจ น, จนจิตมันสงบเยือกเย็นสบายไปในการพิจารณามีความสุขกับการพิจารณาอย่างนั้นนะนะไอ้ตัวการเจริญตัวนั้นเป็นภาเวตัปปธรรม ก็แยกว่าตอนเจริญกับตอนไม่เจริญมันต่างกันยังไงเห็นโทษของการไม่เจริญเลยแล้วก็เห็นคุณของการเจริญเป็นอย่างยิ่งทางนี้เท่านั้นเอกายโนยังพิโคเวมัคโคสัตานังวิสุธยาใช่ไหมตั้งแต่เป็นอนุปัสนาไปแล้วเนี่ยนี่จึงเป็นทางสายอีกเนี่ยนะทางสายเดียวตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงตามเห็นโดยความเป็นทุกข์ตามเห็นโดยความเป็นอนัตตาตามเห็นโดยความเป็นของหน้าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสลักคืน ทางนี้เท่านั้นแหละที่จะทำให้ออกจากวัตตะได้ทางอื่นไม่มีนะทางอื่นไม่มีไม่มีทางอื่นเลยต้องเบื่อนายคลายกำหนัดออกจากขันห้าเท่านั้นน่ะจึงจะจึงจะก้าวล่วงโศกาะปริเทวะทุกขโทโมนัสและอุปาญาณนะเพื่อบรรลุอริยมรรคเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเพราะฉะนั้นลักษณะของพระพุทธศาสนาจึงไง มีความไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความไม่เนิ่นช้ า, านะยินดีธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าคือนิพพานเพราะฉะนั้นทางนี้จริงๆถ้าใขครควรให้ให้จบนะอนุปัสนาตัวเนี้ยมาจากอนุปัสนาเจ็ดในข้อสิบห้านี่แหละที่เรียกว่ากายเยกายานุปัสสีวิหรติอาตาปีสัมปชานญสติมาวินยญาโลเกยพิชาโทมานสสังเนี่ย น, นะเวทนาสุเวทนานุปัสสีเป็นต้น อันเนี้ยคือทางสายเดียวเท่านั้นแต่อย่างว่านะักก่อ <Wow. S 1> นหน้ า, stars, champion, น, านี้จะต้องทําปริญญามากปรดีษฐ์เไม่ใช่หนังสือเนี่ยรัดอ่านหน้าสิบเลยหน้าหน้าแรกๆก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอถ้าย่างนี้ก็แย่นะแต่ว่ามัน <käytt> ก็ต <olve> ้องพื้นๆเรื้องต้นจะดีเกิดท่ารหัสทั้งหลายเนี่ยนะการที่ท่านเข้าพระสมาบัติโดยที่ไม่เจริญอนุปัสสนาก่อนมาเป็นไปไม่ได้อนุปัสสนาเกิดชี้นำก่อนเนี่ยนะจึงจะเข้าพระสมาบัติได้ ถ้าอนุปัสนาไม่เกิดเนี่ยนะเข้าพระสมมาบัติไม่ได้ยิ่งนิโรธสมมาบัติยิ่งจําเป็นเช่นท้าพระพระหันหรือพระนาคามีที่จะเข้านิโรธสมมาบัตินะท่านเข้าปฐมฌานก่อนออกจากปฐมฌานแล้วตามเห็นอนุปัสนาเจ็ดในปฐมฌานออกเจริญอนุปัสนาเจ็ดแล้วเข้าทุติยฌ า, านแล้วออกจากทุติยฌ า, านเจริญอนุปัสนาเจ็ดในทุติยฌ า, านออกจาก พอเจริญอนุปัสนาเจตเข้าตัิยาฌานแล้วก็เจริญอนุปัสนาเจตในตติยาฌานพอเจริญอนุปัสนาเจตเข้าจตุทะฌานออกากจตุทะฌานเจริญอนุปัสนาเจตแล้วก็อากาสานัญญายตนาวิญญาณัญญายตนาอากินจัญญายตนะก็เป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานว่าขอดับกี่วันก็ว่าไปนะนะอวัชนะตั้งไปเลยว่าจะดับเท่านั้นเท่านั้นแล้ก hmm. วก็เข้าเนวสัญญา หนึ่งขณะจิตหรือสองขณะจิตก็ดับเรียบร้อยแล้วนะเจ็ดวันผ่านไปออกด้วยพร ะ, ะสมาบัตินะออกด้วยพร ะ, ะสมาบัติแล้วก็ตกกุลาหยังลงสู่ภวังนี่นะแม้นกระทั่งจะเข้าพร ะ, ะสมาบัตินิโรธสมาบัติก็ต้องเห็นเจริญอนุปัสนาเจ็ดทีนี้อนุปัสนาเจ็ดยังไงก็ต้องมีขันเป็นอารมณ์เนี่ยนะก็ต้องมีขันเป็นอารมณ์แต่คือว่าเป็นเป็นการเจริญเพื่อเพื่อ น, น้อมไปเพื่อสงบระงับเนี่ยนะ มันถ้าชำนาญอย่างแท้จริงเนี่ยอันนี้กังอย่างเดียวก็เข้าพระละสมาบัติได้เลยถ้าชำนาญจนถึงที่สุดแล้วนะก็ไม่ใช่ปัญหาละแต่ทีนี้ว่าอย่างของเราทั้งหลายเจริญยังไงกว่าจะถึงวันนั้นบ้างนะแต่ทีนี้ว่าเจริญได้หรือไม่ได้เราก็ไม่ควรจะไปคิดในแง่นั้นตอนลอกควรคิดว่านั่นเป็นความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านั่นเป็นความทรรดีของพระธรรมผู้ปฏิบัติตามนั้นเป็นความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ เราก็มีความผ่องใสฟังเรื่องนี้แล้วสบายใจฟังแล้วเลื่อมใสอันนี้แหละเราก็ชื่อว่ามีส่วนเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันผู้ที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยนีผู้ที่นับถือพระรัตนตรัยว่าเป็นสารณะตามอัตถกถาสันเลขสูตรกล่าวว่าผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันแม้แต่ทักษิณาวิพังขาสูตรเนี่ยนะก็สันเลขสูตรอ้างทักษิณาวิพังขสูตร อันผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผลอย่างนี้เนี่ยนะก็เชื่อว่าในที่สุดต้องทำที่สุดแห่งทุกได้เพราะฉะนั้นผู้ที่คาที่พระสารีบรกล่าวว่าผู้ที่ยังใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้ชนะมารก็ดีผู้ที่ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสาระก็ดีผู้ที่อัญเชลีต่อพระพุทธเจ้าด้วยใจที่เคารพก็ดีเนี่ยนะทั้งหมดเหล่านั้นแม้แต่อย่างเดียวก็พอ เขาจะข้ามกันดามได้เนี่ยนะเขาจะข้ามวัฏฏได้ทีนี้แต่ว่ามันต้องรู้คุณหน่อยเนี่ยไม่ใช่เออเห็นยกมือไหว้ซะหน่อยแล้วก็ผ่านไปโดยที่ไหว้แบบไม่รู้คุณอันนี้อันนี้สงฆ์ก็ไม่น่าจะมากสักเท่าไหร่แต่อันนี้หมาย ว, ามว่ายกมือไหว้ใจเลื่อมใสแบบคนที่ที่รู้คุณน่ยนะรู้คุณเช่นรู้ว่าพระองค์เนี่ยมีอรหันต์คุณเป็นต้นเนี่ยนะ ในความที่พระองค์ไม่มีกิเลสความที่พระองค์ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองหรือความที่พระองค์เนี่ยมีวิชาและจรณะถ้ายังใจให้เลื่อมใสยอย่างนั้นได้ก็น่าจะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็แต่ว่าสัพพินซียั น, นี้เราจะมีกําลังหรือไม่วิริยินรีย์ต่อไปจะมีกําลังหรือไม่เพราะว่ากิจที่ที่บุคคลผู้มีสัพพินรีย์ควรทําคืออะไรก็คือวิริยินทรีสติินซีสมาธินินรียและอันยินรียนั่นเอง